รู้แล้วไม่ประกอบเนืองเนืองในทางที่แสลงต่อสัมมานิพพานจึงไม่เป็นเช่นนั้นทรงเปรียบเหมือนคนถูกลูกสรไปให้หมอผ่าตัดถอนเอาลูกสร อ, ออกแล้วแต่กินของแสลงและไม่รักษาปากแผลให้ดีแผลก็อาจกำเริบทำให้ถึงตายหรือทุกปางตายได้และเหมือนบุคคลที่ไม่กินของแสลงรักษาปากแผลดี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 เปรียบเหมือนคนผู้รักชีวิตย่อมไม่ดื่มยาพิษไม่ยื่นมือหรือหัวแม่มือหัวแม่เท้าเข้าหางูพิษ